ก่อนมหานามะเอกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเข้ามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งตามทั้งหลายเนี่ยนะฝูงชนถือเอาดาบและโล่สอดแล่งธนูตรูเข้าสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมที่ร้อนขณะที่ลูกศรยิงออกไปหอกเนี่ยถูกพุ่งออกไปดาบถูกกัดแกว่งชนเหล่านั้นก็ถูกลูกศรเสียบถูกหอกเสียบถูกรถด้วยโคมายร้อนถูกสับด้วยคาดตัดด้วย ศีสระณนะที่นั้นก็พากันถึงตายตรงนั้นบ้างทุกปางตายบ้างถ้าสมัยนี้หาดูแบบนั้นไม่ได้ก็ไปดูหนังสงคารามโบราณเนี่ยจะเห็นว่ามันแข่งฆ่ากันเนี่ยมันโหดร้ายแบบอย่างที่กล่าวนี่แหละมันช่างโหดร้ายเนี่ยเยี่ยมโหดโอ้ยทุกร้อนมากเลยแหละดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแหล ฝูงชนตัดที่ต่อบ้างปล้นกวาดล้างบ้างทําให้เป็นเรือนหลังเดียวดั้งดักล้นหนทางอยู่บ้างสมสู่พระยาของคนอื่นบ้างในที่สุดก็ถูกจับไปแล้วก็ถูกลงโทษต่างๆให้ถูกเคี่ยนถูกเข็นถูกฆ่าถูกประวัติสารพัด ท, ที่จะมาลงโทษเนี่ยนะอย่างกฎหมายของแต่ละประเทศที่ลงโทษก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการลงโทษต่างๆโดยที่สุดราดด้วยน้ํามันเนี่ยนะชุบแป้งทอดนะนะราดด้วยน้ํามัน ใหสุนัข ก, กัดกินถูกเสียบเหลาทั้งเป็นถ้าอย่างเงี้พวกนี้ก็ดูปลาไปก่อนก็นแล้วกันอนะตูดิเดรชาที่เขาปรุงอาหารเนี่ยเดรชานที่มาปรุงอาหารแต่ละอย่างมันแม่มันโหดจริงๆริงไหมกันะนะนั่นแหละถ้าทํากับมนุษย์นั่นแหละเช่นไก่หมุนอย่างเงี้ยนั่นหมุหมุนหมนเสียบเหลาแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยนะก็ดูว่าเออเนี่ยเนียถ้าอบายพูม่่่่่่่่่บบ่่กก่่นะ่่่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยโรคภัยและไข้เจ็บลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับถูกสงครามเลยนั่นแหละโรคบางอย่างที่ถูกผ่าถูกตัดถูกแหวกถูกอะไรก็ไม่ต่างอะไรจากศึกในสงครามนั่นเองเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะอะไรมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเข้ามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นนั่นแหละดูก่อนมหานามอีกประการหนึ่ง มีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั้นแลฝูงชนก็ต่างพรากันทําชั่วด้วยกายชั่วด้วยวาจาชั่วด้วยใจอนธรรมทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปไหนอบายทุกขติวินิบาสนารกหนินะ อันท่าถ้าเห็นพวกสัตว์เดรัจฉานเห็นอบายภูมิเห็นอะไรเป็นต้นก็รู้เถต่ว่านี้เพราะกามนั่นแหละบังคับให้เขาทําชั่วในอดีตก็เลยต้องมาเสวยผลเช่นในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกนายสำปรายอย่าพบผกามทั้งหลายมีโทษในปัจจุบันและสำปรายอยพวิปัสสนาปัญญาที่เห็นอย่างนี้แหละเป็นข้อปฏิบัตินําออกจากทุกอย่าลืมว่าตัวปัญญาที่เห็นเท่าใดนั่นแหละนําออกจากทุก เท่านั้นถ้าเห็นถึงสูงสุดถึงกับเห็นพระนิพพานตัวสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าวัตถุ ก, การมทั้งหลายมีอัศทะน้อยมีโทษยิ่งนักนั่นแหละคือการเจริญวิปัสสนาถ้าเห็นว่าน่า ย, ยินดีน้อยเท่าใดเห็นโทษมากเท่าใดเข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่าใดและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในกรรมทั้งหลายได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้นั่นเองอันนี้เป็นการแก้รัตทิกรมมาสุขหลิการุโยคนี่นะเป็นการแสดง นี้มาแสดงแก้อัตกิลมัทธนุโยกว่าการทําอัตกิลมัทธนุโยกนี้ไม่มีประโยชน์ะชนะไม่มีประโยชน์เลยดูก่อนมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาขี้ฉกูดเขตพระนครราชครึกณ์ณสมัยนั้นตําบลกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิเลมีพวกนิครจํานวนมากเป็นผู้ถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งก็แปลว่าไม่นั่งเลยยืนเหมือนฐานยามเนยนะ เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา้าเผ็ดร้อนที่เกิดจากความพยายามไม่ใช่ยืนแบบสบายๆไม่ยืนแบบทํำยังไงให้ตัวเองเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะเดือดร้อนได้ก็มีบางคนจะพาไปดูฤาษีเกต น, นะนะไม่ยังไม่ได้ไปเลยว่าเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยนะแต่ถึงไม่ดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเนี่ยนะนะแต่รู้ว่ามันเดือดร้อนกันแล้วกันนะ ทั้งนั้นแหลเราก็ออกจากที่หลีกเร้นไปในเวลาเย็นเข้าไปหาพวกนิครนถึงประเทศกาละศีลาข้างภูเขาอิสิคิริแล้วก็ได้กล่าวความข้อนี้กับพวกนิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายฉะนั้ยพวกท่านจึงถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งสเสวยทุกอย่างแรงกล้าเพลียร้อนที่เกิดจากความพยายามหมายว่าพวกนี้ถ้าอยู่เฉยๆนี่สบายถ้าบับปฏิบัติเมื่อไหร่แล้วเครียดเดือดร้อนมากเลยพวกนี้กําลังทุกข์ทรมานมาก กรถามว่าทําไมต้องมาทําตัวให้มันเดือดร้อนอย่างนี้มหานามะเมื่อเรากล่าวอย่างนี้พวกนิ้คนก็กล่าวตอบเราว่าผู้มีอายุนิครหน้าตบุตรผู้รู้ทำทั้งปวงผู้เห็นทำทั้งปวงยืนยันยานทัศ น, นะหมดทุกส่วนว่าเราเดินก็รู้เห็นยืนก็รู้เห็นหลับตื่นรู้ไปหมดทัศนะเกิดตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันรู้ไปทั้งหมดอดีตอนาคตรู้อย่างชินิดทิเรกว่าไม่มีอะไรจะรู้อีกต่อไปอันนี้มันเกินไปใช่ไหม หลับก็ยังรู้อีกรู้ไปหมดรู้ดินรู้ฟ้ารู้ลมรู้ดินรู้อานาเขรู้ไปสารพัดรู้สารพัดเห็นคําว่ารู้หมดทุกส่วนเนี่ยแปลอีกสำนวนเนี่ยเขาบอกสารพัดรู้สารพัดเห็นสารพัดรู้ตลอดเวลาเนี่ยนะนิครนนั้นเนี่ยนะไอเจ้าลัทธิสารพัดรู้สารพัดเห็นเขาสอนอย่างนี้ว่า อนิคนผู้มีอายุทั้งหลายบาปประกรรมที่พวกท่านทําในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปประกรรมนั้นเสียด้วยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทําที่ยากนี้ทําลำบากนี้คือแปลง่ายๆว่าพวกท่านพ้นพวกมีกรรมเพราะฉะนั้นมามาชดใช้กรรมซะท่านมาทรมานตัวที่สุดเท่าที่จะทรมานได้ถ้าท่านทรมานตัวเท่าใดท่านก็ใช้กรรมเท่านั้นเออเนี่ยนะนั้นถ้าเจ็บปวดสุดๆท่านก็ใช้กรรมแบบสุดๆ เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นอันว่าล้างกรรมเก่าว่าลัททิล้างกรรมเก่าทำยังไงทำให้มันเจ็บปวดที่สุดเท่ทาที่จะเจ็บปวดได้ทรมานที่สุดเดือดร้อนที่สุดลําบากที่สุดเนี่ยนะเสร็จแล้วต่อไปข้อปฏิบัติแรกข้อปฏิบัติที่สองข้อที่ท่านทั้งหลายสํารวมกายวาจาใจในบัทนี้และเป็นการไม่ทําบาปต่อไปแล้วเมื่อท่านใช้บาปประกรรมอย่างนี้แล้วนะด้วยการทําตัวให้เดือดร้อนท่านอย่าทําชั่วนะอย่าทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ก็เป็นอันปิดบาป สรุปว่าทั้งนี้ท่านก็หมดกรรมเก่าด้วยตะบะและไม่ทํากรรมใหม่เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ใช้นี่กรรมอีกต่อไปใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าทฤษฎีเขา ง, ง่ายๆใช้นี่เก่าแล้วไม่ก่อหนี่ใหม่อิสระเนี่ย น, นะปราศจากหนี่เพราะฉะนั้นถ้าท่านทําอย่างนี้นะท่านก็ไม่ถูกบังคับต่อไปท่านก็เลยสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกก็เลยสิ้นเพราะสิ้นทุกก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาอันนี้แหละพวกท่านสลัดออกจากทุก ได้ทั้งหมดคําที่นี่คนหน้าตาบดซ้อนอะนะเจ้ารัตที่สารพัด ร, รู้สารพัดเห็นเนี่ยนะกล่าวแบบนี้ชอบใจและควรแก่ข้าพเจ้าแม้ถูกต้องที่สุดดีมากแม้ต้องทําเอาม้ถ้ารัต ท, ที่ทฤษฎีนี้ดีเหลือเกินขอปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีใจยินดีดังนี้ชาวพุทธสมัยใหม่พวกโง่เขลาเนี่ยนะไปเจริญเรียนแบบตามรัตที่อันนี้เริ่มเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเลยเนี่ยทำมากทาปฏิปทาเราเนี่ยเยอะมากญี่ปุ่นเน่ยนะญี่ปุ่นเก่าเนี่ยญี่ปุ่นแตะตนบางอย่างเนี่ยสมัยใหม่กฎหมายบางอย่างเขาบังคับแล้วก็มารัฐที่ใช้กรรมเก่าแบบเนี่ยทํำทรมานให้ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะฉนั้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับรัฐที่อันนี้เนี่ยนะดูก่อนมหานามะเมื่อพวกนิครนกล่าวการอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวกับ น, นิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบะหรือ ว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้เคยมีแล้วในการก่อนไม่ใช่ไม่มีท่านรู้ไหมว่าอดีตท่านเคยมีไม่รู้แล้วท่านรู้ไหมล่ะว่าท่านได้ทํากรรมเอาไว้ในการก่อนบอกไม่รู้แล้วท่านรู้ไหมว่าเราเนี่ยได้ทํากรรมอะไรมาบ้างท่านรู้ไหมว่าท่านมีกรรมเก่าแล้วทําไม่ต่อไปว่าท่านรู้ไหมท่านไปทํากรรมอะไรมาบ้างบอกไม่รู้อผู้มีอายุท่านทราบหรือไม่ว่าเออที่ท่านมาทําตัวให้มันเดือดร้อนเนี่ย ทุกเท่านี้เราละได้แล้วเรายังเหลือทุกเท่านี้เมื่อทุกเท่านี้เราหมดก็เป็นอันหมดทุกเปรียบเหมือนคนไปกู้หนี้มาใช่กู้หนี้เนี่ยมันกู้มาเท่าไหร่ก็ต้องรู้ตอนเนี้ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็รู้เหลืออยู่เท่าไหร่ก็ต้องรู้ไอ้ที่เหลือต้องใช้คืนอีกเท่าไหร่เมื่อไหร่จึงจะปลดได้สำเร็จท่านรู้ไหมไม่รู้ ไอ้ที่เขามาทําตัวให้มันทุกรนทุรนทุ ร, นทรายลําบากกวนกวายเนี่ยรู้ไหมว่าใช้กรรมเก่าไปเท่าไหร่ยังเหลืออีกเท่าไหร่บอกไม่รู้ทั้งนั้นแหละเอาแล้วท่านรู้วิธีการละอกุศลธรรมและการบําเพ็ญกุศลที่ทําอยู่ปัจจุบันท่านรู้ไหมว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วอะไรเป็นการละอกุศลแล้วอะไรเป็นการเจริญกุศลตอนเนี้ท่านรู้ไหมไม่รู้โอสรุปนะตามที่ได้ฟังพวกท่านก็ไม่รู้เลยว่า อดีตเราก็เคยมีอดีตเราได้ทํากรรมเอาไว้อดีตเราเนี่ยท่านก็ไม่รู้อีกว่าทํากรรมอะไรเอาไว้ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านสละทุกไปเท่าไหร่เหลือทุกอีกเท่าไหร่โดยที่สุดท่านไม่รู้แม้กระทั่งวิธีละอกุศลและวิธีเจริญกุศลถ้าเป็นอย่างนี้นะคนทั้งหลายที่บวชในสํานักของพวกท่านก็มีแต่คนมีมารยาทเลวซามมือเปือเป้อนเลือดทํากรรมชั่วชา้าเป็นผู้เกิดสุดท้ายภายหลังในหมู่มนุษย์สรุปงโง่เขลาที่สุดเลยล่ะที่อันนี้นะ ทีนี้นี่โคนม า, ม า, ม า, มาดูถูกกันเกินไปแล้วนะเหมนกันเลนะแต่ทีนี้ในรัตที่เขาจะไม่โตกันด้วยกําลังกายเขาโตกันด้วยกําลังวาจาเนี่ย น, นะนนก็เลโตรัตท์โ ต, โตวาทะเขาเลยบอกพระโคโดมผู้มีอายุบุคคลเนี่ยนะเขาก็เสนอหลักการเข้ามาเลยไม่ใช่จะประสบความสุขด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขด้วยความทุกข์มันต้องทําให้ทุกข์ที่สุดแล้วในที่สุดแล้วจะสบาย เออเนีทฤษฎีเขาเนะี่ยทให้เดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะทาได้เมื่อเดือดร้อนถึงที่สุดแล้วก็จะสบายที่สุดนะดีไหมถูกต้องไหมทฤษฎีนี้ต้องทําให้มันเดือดร้อนที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วจะได้สบายในตอนหลังเพราะถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขด้วยความสุขพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพนะจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพแผ่นดินมคตเนี่ยเป็นสุขกว่าพระโคดม เขถือว่าพระเจ้าพิมพิสารสุขที่สุดเลยสุขเพราะมีอะไรเพราะมีสนมกำนันมีบริวารมีปราสาทราชวังเป็นต้นอยู่ทีนี้พระผู้เจ้าก็บอกว่าเป็นการแน่นอนที่พวกนิครนทั้งหลายหุนหันไม่ทันพิจารณาแล้วก็แล้วก็พูดท่านเนี่ยที่พูดเนี่ยบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารสุขกว่าพระผู้เจ้าเนี่ยนะท่านไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยพูดไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะพูดแบบอะไรคนกําหนัดพูดด้วยราคะคนโกรธพูดด้วยโทสะคนหลงพูดด้วยอํานาจของโมหะท่านไม่รู้เลยนะว่าท่านพูดอะไร ไม่พิจารณาเลยเอางี้แล้วกันอะทีเ่เรื่องนี้มันจะต้องคุยกันหน่อยจะต้องซักไซไล่เลี้ยงสอบสวนกันในเรื่องความสุขความทุกข์สรุปว่าใครจะอยู่สบายดีกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นเจ้าแพ่นดินมคตกับพระโคดมเอาไหมมาคุยกันดูว่าใครมีความสุขจริงกว่ากันทีนี้นิครนเขาก็บอกเออเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดอย่างงี้เข้าทางเขาละ แน่นอนคังั้นนะแน่นอนที่พวกข้าพเจ้าหุนหันไม่ทาพิจารณาก็พูดอย่างนี้เอาละเรามาหยุดกันไว้แค่นี้ก่อนเดียวข้าพเจ้าจะถามพระโคดมดูบ้างว่าใครจะอยู่สบายดีกว่ากันระหว่างพร ะ, เ, พระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกดูก่อนนิครนผู้มีอายุเอาอย่างงี้นะถ้าอย่างนั้นถ้าพวกท่านต้องถาม เ, เราเนี่ยจะต้องถามพวกท่านในเรื่องสุขทุกข์ดูบ้าง ท่านเข้าใจอย่างไรก็แถลงตอบอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องเกรงใจพูดตามอย่างที่อยากพูดเราจะถามและท่านตอบอเลยเลยเอางี้แล้วกันท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหงพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพแผ่นดินมคตเนี่ยนะทรงสามารถไม่ไหวทางกายแปล ว, ว่าอยู่นิ่งๆไม่พูดแม้แต่คําเดียวสวยบรมสุขส่วนเดียวเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยทาได้ไหมนั่งนิ่งๆแล้วสุขอย่างเดียวเจ็ดวันเลยไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วท่าน ทำไม่ได้หรอกนะเจ็ดวัน7็คืนนั่งนิ่งๆไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวแล้วสุขบรมมาสุขด้วยนะไม่ใช่สุขธรรมดาสุขแบบง่อยๆแบบเปรี้ยไม่ใช่สุขแบบสุขจริงๆด้วยบรมมาสุขสุขมีนิพนธ์เป็นอารมณ์เลยเนะี่ยทำได้ไหมไม่ได้เอางี้แล้วหกวัน6คืนละ่ะไม่ได้ห้าวันห้าคืนไม่ได้เจ็วันเจ็คืนเออสี่วันสคืนไม่ได้สามวันสามคืนสองวันสองคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนทําได้ไหมบอกไม่ไหวหลรอท่าน เอาพระเจ้าพิมพิสารมานั่งสบายอย่างเดียวไม่ต้องนิ่งเลยนะเอาของพวกเราทำบาร์นี้นั่งสบายๆกันสักฆ่าชั่วโมงเลยนะน<ะ>ั่งกันนี้ไปจะนั่งสบายๆแล้วนะไม่ขยับไม่อะไรนั่งนิ่งสุกอย่างเดียวไม่ใช่หลับนะตื่นอยู่ด้วยเอ่ะห้าชั่วโมงบอกโอโ้ยไม่ไหวเลยนะหชั่วโมงเนี่ยนะบอกอะไรจะทะรมารที่สุดนะนะเอามาเคยเคยให้ดูเด็กมาจับนั่งสมาธินะขยุกขยิบขยกขยี้ยยย k. มันไม่รู้นั่งทําไมนะเขาบังคับให้นั่งว่านั่งไป นั่งเสร็จแล้วก็นั่งดูว่าใข่มันขยุกขยิบมานะ่งอ่ะนะไอคนนั้นก็เลยขยุกขยิบ ก, ก็เลยคุยกันทุกขี้ๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันจะไปให้นั่งสบายได้ยังไงบอกมันยากเหมือนกันนิ่คนผู้มีอายุฝ่ายตัวเรานะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยไม่ไม่ไหวกายไม่ขยับกายสุขอย่างเดียวที่เป็นบรมสุขเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ได้ หรือสองวันสองคืนเราก็ทําได้สามวันสามคืนก็ทําได้สี่วันสี่คืนก็ทําได้ห้าวันห้าคืนก็ทําได้หกวันหกคืนก็ทําได้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็ทําได้ดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นหรือจะเข้าใจเนื้อความนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยู่สบายกว่ากันระหว่างพระเจ้าทิมพพิสารกับตัวเราเนี่ยนะก็กลับกับพระพุทธเจ้าบอกว่า เออเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคโดมสิอยู่สบายกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแผ่นดินมคตเนี่ยนะอันนี้เป็นการแสดงนิสรณะเนี่ยนะสู่ตอนแรกพระพุทธเจ้าแสดงกามเอ่ออะไรนะอัสาธาของกามเนี่ยนะที่แสดงเรื่องของว่าที่เรื่องของพระเจ้ามหานามะถึงเรื่องอัสาธาความน่ายินดีของกามเป็นอย่างไรกามมสุคขลิกานุโยกเป็นอย่างไรเนี่ยนะแล้วโทษของกามเหล่านั้นมีอะไรบ้างและโทษของอัตตะกิระมัฐานุโยค ทำแล้วมันมีประโยชน์อะไรทำแล้วมันดีตรงไหนทำแล้วช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรในที่สุดก็ไม่สําเร็จใช่ไหสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยนะปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตา ม, ตตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง สบายวันหนึ่งวันก็ได้2วัน2คืนก็ได้3วันสรมคืนก็ได้เป็นต้นและพระองค์ก็ยังตรัสอีกนะว่าถ้าระดับสาวกของพระองค์เนี่ยนะแม้กระทั่งโดยที่ผู้รักษาอุโบสถรักษาศีลเป็นต้นจะเสวยสุขในสวรรค์ชั้นจาดุมจาตุมเนี่ยนะเล้านปีก็มี น, นะผู้ที่ปฏิบัติตามโอวาทของพระองค์แล้วเสวยสุขในดาวดึงษ์สาล้านก็มีไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เสวยสุขในพรหมโลกก็มีผู้ท่านเหล่านั้นที่เสวยสุขใน มรรคผลนิพพานก็มีสําหรับผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เอ้มันมีต่างกันยังไงเมื่อกี้ที่บอกว่านิครนเขาบอกว่ากรรมเก่าของพวกเรามีอยู่ใช้กรรมเก่าแล้วจะทำกรรมใหม่เนี่ยเราก็พ้นทุกข์แล้วละ่ะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่มันเป็นไปได้ไงถ้าท่านรู้ไหมว่าอะไรเป็นอดีตเหตุและปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุแล้วมันตัดปัจจุบันเหตุได้ยังไงรู้ไหมเขาบอกไม่รู้โดยประการทั้งปวง มันของเราทั้งหลายถ้าศึกษาอริยสัจไม่เข้าใจศึกษาอริยสัจนัยปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นไม่เข้าใจเราเองก็จะไม่ต่างจากนิครนแต่อยู่ในคราบของชาวพุทธเนี่ยนะลัทธิความเข้าใจเหมือนกันแต่เรียกว่าสวมเครื่องแบบคนละอย่างกั น, นต้องศึกษาให้ดีว่ากรรมเก่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอดีตกรรมนะแต่ว่ามีกรรมเป็นของงองตนเนี่ยอดีตกรรมให้ผลในปัจจุบันอย่างไรเช่นชรามรณะเกิดจาก อะไรเป็นปัจจัยเนี่ยมีการศึกษาเรื่องกรรมให้ดีๆนะกรรมบางอย่างเป็นชนกกรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปธรรมปักกรรมอุปปีรกรรมและอุปคาตกรรมแล้วก็บางกรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันกรรมบางอย่างให้ผลในอนาคตกรรมบางอย่างนะทำในชาตินี้ให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างทําชาตินี้ให้ผลในชาติหน้าเป็นต้นมันต้องมาศึกษาในเรื่องกรรมให้ดีไม่ใช่เอะอะทุกอย่างก็โยนให้กรรมไปหมดเลยถ้าพระพุทธเจ้าโยนให้กรรมทํำไมสอนมรรคแ แต่มักแปเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมน่ยนะก็กรรมดําวิบากดํากรรมขาววิบากขาวถ้าทําทั้งดําทั้งขาวก็วิบากทั้งดําทั้งขาวพระพุทธเจ้าสอนอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเพื่อทําลายกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็เป็นการสิ้นเกิดแล้วกรรมจะดับเพราะอะไรดับกรรมจะดับเพราะอะไรดับเพราะอุปาทานดับถ้าอุปาทานดับเพราะอะไรดับ ตันหาดับถ้าจะดับตันหาดับได้อย่างไรดับด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละจึงละคลายตันหาเพิกถอนตันหาตัดขั้วเยื่อใยแห่งตันหาเรียกว่าตบะเนี่ยนะขั้วตันหาให้เฉาถ้าตันหาถูกดับเพิกถอนเพราะผู้ปฏิบัติสัมผัสกับพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นตันหาเป็นธรรมที่ดับตันหาถ้าตันหาเหล่านั้นอ่ะถูกดับโดยประการทั้งปวง เพราะดับตันหาได้อย่างเด็ดขาดอุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้อย่างเด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือกรรมมพบทั้งหลายก็ดับกายกรรมเมจีกรรมมนโนกรรมก็ดับเพราะหมดสภาพเมื่อกรรำหมดสภาพแล้วปลูกก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเพาะให้งอกในภพสามกัมเนศสี่คติห้าวิญญาณทิติเจสัตตาวาสเก้าจึงเพาะไม่ขึ้นเมื่อเพาะไม่ขึ้นจึงเป็นอันสิ้นทุกข์ทีนี้ แล้วมักแปลกกว่ามักจะประชุมกันเนี่ยมาได้อย่างไรก็มาด้วยวิสุทธิเป็นต้นหรือมาตามสติปัฏฐานมันก็ต้องศึกษาวิธีเจริญโพชงทั้งหลายศึกษาวิธีเจริญโพทิปักจยธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อไปอเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอย่างคำสอนเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าถ้าอยู่ในการมัุขาลิการุโยคชีวิตเราจบลงที่ไหนถ้าทาตัวเป็นอตตากิรมธานุโยค เราจบลงอย่างไรถ้าปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาพระ อ, องค์บอกว่าพระ อ, องค์มีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปในที่สุดก็ยังเป็นความสุขกว่าที่เรียกว่าเป็นบรมสุขเนี่ยนะเขาบอกว่าสุขของพระโสดาบันที่แทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะสุขของพระโสดาบันที่เห็นอริยสัจสุขอันนั้นเนี่ยเทียบกับสุขในระดับรูปฌานในอรูปฌานนี่ห่างกันมากสุขในโสดาปฏิผลหาร16แล้วเอาหนึ่งในสิบมาหาร 16ก็เป็นความสุขดีกว่าเนวสัญญาณาสัญญายจตนาดีกว่าอย่างที่เราสวดกันว่ายิ่งใหญ่กว่าเอกราชในแผ่นดินยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจากั ก, าการพรรดยิยิ่งใหญ่กว่าการไปสู่ดาวดึงจาตุมดะยามาดุสิตนิมานารดียิ่งใหญ่กว่าการไปสู่รูปประพรมและอรูปประพรมนัม้นโสดาปฏิมักนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่โสดาปฏิมักเกิดจากการที่เราเจริญอริยมัททั้งมีองค์8เนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ บริบูรณ์นั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังทำสอนเหล่านี้ก็จงเป็นไปเพื่อให้เจริญอริยมรรคทั้งหลายให้บริบูรณ์โดยทั่วกันนะนสำหรับเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้